มีโยมมาแจ้งที่นี่ว่าขออธิบายเรื่องการถวายกุฏิว่ามีอันสง์อย่างไรบ้างแต่จะตอบคำถามก่อนซึ่งได้ถามมาในการแสดงธรรมในคราวครั้งก่อนจากโยมนาลาชินตินได้ถามว่าไตาลักษณะไตลักคืออะไรเหตุที่เกิดไตลักคืออะไรไตลักมีในพระไตรปิฎกไหม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 หลักคำสอนในเรื่องของไตรลักษณ์ไม่เคยเกิดขึ้นเลยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงศาสดาผู้หนึ่งที่ได้นามว่าอาระกขศาสดาศาสดาผู้นั้นได้สอนเหล่าสาวกทั้งหลายว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นของไม่คงทนถาวร น, นี้คือคําสอนของอาระกขาศาสดา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 นอกจากศาสดาผู้นี้แล้วไม่มีใครสอนเรื่องนี้และอารักษศาสดาผู้นั้นในอดีตก็คือพระพุทธเจ้าในขณะในปัจจุบันนี้นี่เองคือเป็นอดีตชาติของพระองค์อารักษศาสดาเพราะว่าสาวกของอารักษศาสดาที่เชื่อฟังอารักษศาสดานั้นประพฤติ ธ, ธรรมตามอารักะศาสดาไปสู่สุคติภูมิกันทั้งหมดทุกคนทีนี้แม้อารักษศาสดาจะสอนเรื่องความมีเที่ยง แล้วความไม่คงที่หรือว่าความไม่ยั่งยืนของร่างกายความคงทนถาวรไม่ได้เรียกว่าอันิีจังแล้วก็ทุกขังทุกครั้งคือทุกลักษณะอันนี้จัดลักษณะคือลักษณะที่ไม่เที่ยงทุกลักษณะคือลักษณะที่ไม่คงทนถาวรหรือไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมของตัวเองได้เหมือนกับกายของเราเนี่ยไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมของตัวเองได้ตลอดไปต้องถึงมีค้าวแต่สลซ์สอนลักษณะแค่สอง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 คืออนัตตาไตรลักษนี้เป็นลักษณะ3ที่ทําให้พุทธเจ้าทรงตรัสถึงอนัตตลักษณะสูตรตสูตรที่ว่าด้วยเรื่องลักษณะของความไม่มีตัวตนและไม่ใช่ตัวตนและไม่เป็นตัวตนอนัตตลักษณสูตรต่างจากไตรลักษณ์ตรงที่ว่าอนัตตลักษณะสูต ร, ตต ร, ต ร, น, ตตรนั้น พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้มองเห็นลักษณะทั้งสามว่าเป็นตนคืออนัตตามิใช่ตนเนตังมมะเนโซฮามัสสนิณเมโซอัตตาตินั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยคือหมายถึงว่าคำว่านั่นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองคำว่านั่นเพราะอะไรมันมันถึงไม่ใช่เราและไม่ใช่ตัวตนของเราพค์ก็บอกว่ารูปไม่เที่ยง รูกไม่คงทนถาวรรูปต้องถึงความแตกสลายคือผู้รัจจ่าจะถึงพูดถึงลักษณะสามเรือว่าไตาลักษณ์การที่วงทรงกําหนดอนัตตลักษณะลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของสิ่งนั่นเองโดยเชื่อมโยงไปถึงไตลักษณ์ลักษณะสามคือต้องเข้าใจให้ออกว่าลักษณะสามอย่างหนึ่งอนัตตลักษณะอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยลักษณะสามก็คือ ไตลัตคือลักษณะ3มประการของสังขารแต่จริงแล้วมันมีแค่ลักษณะอันเดียวคือทุกขลักษณะคือสภาพความเป็นจริงหรือสภาว่าที่โดยตัวของมั น, นมันมีแค่ลักษณะเดียวคือทุกขลักษณะแต่ความเป็นทุกขลักษณะของมันเนี่ยของสังขารเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือพูดดง่ายเป็นการกล่าวถึงขันห้า 5, ซึ่งก็คือตัวตนของคนที่เป็นมนุษย์เดี่ย stitch. หมายถึงว่า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 และผลไม้เที่ยงนั่นเองเพราะมันแปลบพวนนั่นเองมันจึงเกิดการสลายตัวคือเป็นอนัตตาอนัตตาในตจลักกับอนัตตลักฐาสูตรเป็นเป็นสูตรที่เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันแต่ไม่ใช่ตัวอันเดียวกันทีนี้ในตจลักกล่าวถึงลักษณะ3ประ ก, การแต่โดยแท้แล้วมันมีแค่อันอาการเดียวคือทุกขลักษณะแต่ด้วยความเป็นทุกขลักษณะจึงเกิดอาการ2มาเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบ คือในอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันมีองค์ประกอบเข้ามาด้วยจึงองค์ประกอบของลักษณะที่แสดงและปรากฏให้เห็นให้ทราบที่สามารถรับรู้รับทราบได้จึงมีสามขึ้นมาจึงมีลักษณะสมขึ้นมาคืออานิจจลักษณะทุกขลักษณะอนาตตลักษณะแล้วทําไมพระุทธเจ้าถึ ง, ถงตรัสอานิจจลักษณะก่อนก่อนทุกขลักษณะการที่พระเจ้าทรงตรัสอานิจจลักษณะก่อน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 องจึงตัดอนัตตาลักษณะสูตรขึ้นมาเป็นสูตรที่ว่าด้วยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่พึงเห็นว่าเป็นตนคือเราจะมายึดเอาตัวที่มันมีที่ยงไม่คงที่ไม่คงทัวนโทนถาวรนันนะ้นเป็นตัวเองเป็นไปไม่ได้ขณะตัวของมันยังไม่มีตัวของมันเราจะไปยึดตัวของมันว่าเป็นตัวของเรามันมันยึดไม่ได้พปรดพระเจ้าทรงตัดอนัตตาลักษณะเพื่อไถ่ถอนการยึดถือตัวตนและไม่ให้ตามเห็น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 เกิดแล้วอ่ะเกิดมาเสียเปล่าที่ไม่ได้รู้จักความจริงของคำ ว, าวา่าไตยรั้งเพราะไตรั้งนี้เป็นความจริงที่อยู่ในตัวเรามันเป็นเรื่องที่งงงมงายมากที่เราไม่รู้จักความจริงที่อยู่ในตัวเราทําไมถึงบอกว่างงงงายคิดอยู่สักพัดหนึ่งว่าจะพูดดีไหมคือมันเป็นเรื่องที่โง่โงจริงๆที่เราไม่รู้จักตัวเราก็ etera, ตัวเราอยู่กับตัวเรายีิบสี่ชั่วโมงแต่เราไม่รู้จักตัวเรามันโง่ไหมไม่รู้จักความจริงของกายของตัวเองเน่ะมันโง่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 ศีลอันใดพินัยก็อันนั้นคือมันก็อันเดียวกันแต่คําว่าศีลเนี่ยมีความหมายครอบคลุมกว่าศีลมีความหมายครอบคลุมอยู่4ประการ 1. อินทรีย์สังวรศีลการส้ำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ชื่อว่าศีลสปฏิโมกสังวรศีลพระวินัยทั้งหมดที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ทั้งศิกขาบท5ประการ สิขาบท8ประการสิขาบท10ประการสิขาบท227 ป, ประการสิขาบท311ประการเหล่านี้ก็เป็นปฏิโมกขามวรศีลชื่อว่าศีลอย่างหนึ่งศีลอันประเภทที่3ปัจจยสันสนิศีนศีลที่เขาเรียกว่าการการพิเารณาปัจจัยีก่อนที่จะบริโภค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 สภาพของตนพิจารณายารักษาโรคที่พอดีกับโรคที่เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นศีลแล้วว่าปัจจะสันนิศที่นำปัจจัยที่ตนเองได้อาศัยใช้บริโภคและศีลอันที่สีก็คืออาชีวปริสิศธทธี่ศีลการการดำเนินชีพเลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่บริสุทธ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 น่าจะประมาณนั้นอาชีวะปริสุทธ์ที่ศีลศีลจะคร อ, อ, อบคุ้มมากกว่านะแต่ก็เนื่องกับพระวินยัยศีลกับพระวินัยก็เนื่องเกี่ยว เ, เ, เ, เนื่องกันอยู่เหมือนกันแต่จะว่าเป็นเดียวกันก็ไม่ใช่เลยก็เกี่ยวเนื่องกันถามว่าลงเลขสักยัน์พระสักยัน์ผิดพระวินยัยไหมครับผิดแน่นอนผิดเต็มๆและผิดเต็มประตูและ ผิดนี้ไม่ได้ใช่ว่าอาตมาไปพูดว่าเขาผิดแต่พูดว่าผิดตามหลักพระวินัยว่าผิดส่วนเขาจะผิดอย่างไรก็ตามอาตมาจะไม่ไปว่าไปดา่าไปอะไรที่ที่ทำให้ว่าเขาผิดอะไรประเภทเนี้ยไม่ว่าอยากจะทำผิดก็ทำไปแต่จะพูดตามหลักพระวินัยว่าพระที่ลงเลขสักยันต ดูหมออันนี้ลามไปแล้วนะขอลามไปหน่อยนะอันนี้ถามแค่ลงเลขกับกศักยันต์ดูหมอใบหวยปุกเสกอะไรอีก <c oughs> เออ <c oughs> ก็นั่นแหละอะไรอีกกี่นี่ <c oughs> สะดอกเคาะต่อชะตาทำอะไรอีกฮะ <c oughs> อันนี้ขอราไหน่อยคือผิดพระวิญัยหลายหลอย่างหรือใครที่ชมอยู่รู้ว่าอะไรเป็นความผิดกดเมนต์เข้ามาเนี่ยผิดผิดตามพระวิญัยแต่ท่านจะทำผิดยังไงก็ทาทาไปไม่ได้ว่าแต่จะว่าตามหลักธรรมยไงว่าผิดเพราะมีผู้ถามมาอย่างนี้ถามว่ากามาระคะมีสาเหตุมาจากอะไร ดับอย่างไรการมราคามีสาเหตุมาจากความกำหนัดที่เกิดจากความยินดีเมื่อมีความกำหนัดที่เกิดจากความยินดีในสิ่งใดก็เป็นการมราคาในสิ่งนั้นยินดีในรูปก็มีรูปปรลาคะยินดีในกามก็เป็นการมราคายินดีในอะลูปเช่นเกียรติยศชื่อเสียงฐานันดนศาส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 อยู่ในราคะทั้งหมดดับอย่างไรดับโดยการกระทาําพระทิ่พานให้แจ้งในชั้นของพระอระหันต์ถึงจะดับได้หมดเพราะพระอนาคามียังมีรูปราคา่าอรูปราคะอยู่บางคลก็สงสัยว่าอนาคามีท่านก็เป็นพระอริยเจ้าชั้นดีเป็นพระอนาคามิชั้นระดับกลางๆเลยแหละเป็นบุคคลชั้นที่เรียกว่าละกิเลสได้ได้อย่างมากแล้วทําไมยังจะมีราคะอยู่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 เหล่านี้ก็เป็นคือท่านยินดีเพื่อที่จะประพฤติกุศลธรรมนั่นแหละไม่ใช่ร่วงร่วงอกุศลแต่ประการใดแต่บุรุชนน่ะยินดีในการในรูปลากราค า, าทั้งหมดหรือรูปลากราคาทั้งหมดเพื่อร่วงอกุศลแต่ท่านเป็นไปเพื่อกุศลแต่ก็เป็นการยินดีอย่างหนึ่งแล้วว่าเป็นกิเลสละเอียดนะเป็นราคอละเอียดยินดีอย่างนั้นก็จัดเป็นรูปป ร, ราคะยินดีในรูปนะก็ติดอยู่ก็เลยไปค้างอยู่ที่พมโลก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 ไม่ใช่อันเดียวกันขอขมาคือรู้สึกว่าตัวเองทาผิดสำนึกผิดแล้วขอขมาขอโทษขมาคือขอให้มีการอดโทษเช่นได้ทำการล่วงเกินกับบุคคลใดคนหนึ่งไว้ด้วยกายด้วยวาจาหรือใจนะการทำการล่วงเกินเขาไว้ก็ไปขอให้เขาอดโทษอดโทษคือคำว่าอดโทษก็คืออภาภัยนั่นเองยกโทษให้นะยกโทษให้เขาให้ใ ห, ให้ด้วยเถิดที่ล่วงเกินไปขอขมาคือผู้ใดก็ตามที่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 ไม่อาจะทำบุญข้าวใดให้ประกาศอย่างนี้ก็ดีเส้นทางก็บาเพ็ญกันไปกราบขออนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะที่มีความปรารถนาช่วยรักษาคำจริงของคำสอนดังเดิมรวมทั้งรักษาพระธรรมวินัยยิ่งชีดใครเนี่ยสะสะสะเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะออกาอ่าถามมา าการดับการมารค่าเนี่ยคือจะมีวิธีชี้ในที่จะมาให้เกิดโทษกับการคือการมราค่าก็มีไปแต่อย่าให้ล่วงอกุศลอกุศนก็มีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะล่วงไปได้ยังไงอะไรเป็นเครื่องห้ามไม่ให้ล่วงอกุศลก็สี่ขาบท5ประการ8ประการ10ประการ2 27ประการ3 11ประการสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกั้นไม่ให้ล่วงอกุศล แต่การมาราคามันมีอยู่แล้วก็ให้มันมีไปแต่เราจะไม่ล่วงอกุศลมีมีแล้วเราไม่ล่วงอกุศลมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ให้เรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องทำพันธิพาณให้แจ้งเพราะเมื่อกระทำพันธิพาณให้แจ้งสิ่งเหล่านี้มันจะดับไปเองมันจะถูกละไปเองก็อย่าให้ล่วงอกุศลให้มันตั้งอยู่ในกุศล จะลาค่ะแค่ไหนก็ตามก็ให้ตั้งอยู่ในกุศลมีเราพามไปถามพระพิสุว่าท่านก็ยังเป็นคนหนุ่มอยู่แล้วเข้ามาบวชอย่างนี้หากท่านยังมีเรื่องบางเรื่องที่ถูกการาละคอกค่าครอบงำด้วยอำนาจของสตรีอย่างเงี้ย ท่านจะกำหนดหมายใจว่าอย่างไรพิกษุทั้งหลายก็บอกว่าพระอรายสงรงกล่าวสอนไว้ว่าพิกษุเราได้เมื่อเกี่ยวข้องกับสตีมาตุคามในอายุ ป, ปูนแม่ก็ให้กำหนดหมายใจว่านี้คือแม่ในสตีมาตุคามใดที่อายุอะไรรุ่นลาภลาวเดียวกันกับพี่กำหนดหมายใจว่านี้คือพี่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 ก็จะมีลวกอักุศลแล้วก็สามารถประพฤติสมณะรรมสมณพมสมณธรร ม, ม, รรมให้ไปถึงจุดหมายปลายทางหรือตลอดรอดฝั่งได้พอถึงฝั่งแล้วก็สบายตอบคำถามที่ได้ถามมาหมดแล้วต่อไปก็จะได้อธิบายนิสงรองของการสร้างปุติ ว่าการสร้างกุฏิมีอานิสองส์อย่างไรการสร้างกุฏิได้จัดอยู่ในส่วนของฐานที่ได้ชื่อว่าวิหารฐานวิหารฐานนี้เป็นฐานที่ชั้นสูงกว่าสังฆทานแม้พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสว่าสังฆฐ า, านเป็นฐานอันเลออันปรื่อยแค่ไหนก็ตามแต่พระองค์ก็บอกว่าให้สังฆทาน100ครั้งไม่เท่ากับสร้างวิหารฐานที่มีที่มีกุฏิพิหาร ศาลาโบสถ์ห้องน้ําประเภทนี้เป็นวิหารทานให้ทานให้สังฆทานหนึ่งครั้งไม่เท่ากับสร้างวิหารทานหนึ่งครั้งแล้วอันนี้2ได้ยังไงบ้างอา น, นิสงที่พวงทรงกล่าวไว้พวงก็บอกว่าวิหารเราใดหรือวิหารอันใดที่มนุษย์เอกสร้างไว้ถวายไว้แล้วในสง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 เป็นที่เป็นเป็นเอกเทศพ้นจากพื้นดินสูงขึ้นพ้นจากพ้นดินและพ้นจากการกอ่อกวามรกรสับ พ, พ้นจากฝนเหลือบยุงลมแดดจากฤดูกาลต่างๆอานิสงส์นี้พง ก, ก็ บ, บอกว่าหนึ่งเมื่อละชีวิตไปเมื่อไปเกิดนาะยย่อมไปเกิดสุขติภูมิโดยอย่างเดียวโดยทายเดียวเลยนะสุขติภูมิโดยทายเดียวและเมื่อบังเกิดนี้สุขติภูมิแล้ว วิมานอันปรากฏขึ้นย่อมปรากฏเป็นวิมานที่เหนือและเลิศกว่าวิมานของเทพเจ้าตนอื่นที่ไม่ได้สร้างวิหารฐานถาวายสงฆ์วิมานนั้นไม่เป็นที่อยู่อันคับแคบที่อยู่นั้นจะเป็นที่อยู่อันปาศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดๆมาม า, มาเป็นเครื่องก่อควรให้ได้รับความความอะไรภัยพิบัติต่างๆนาน า, นาก็จะไม่เกิดขึ้น และจะมีวิมานอันเลิศอันประเสริฐที่เรียกว่าดำลงอยู่ชั่วการนานได้กว่าได้ยืดยาวนานกว่าวิมานของเทพเจ้าตนอื่นที่ไม่ได้สร้างวิหารฐานนี้หมายถึงว่ากุฏิที่เราสร้างหากมีความแน่นหนาถาวรมั่นคงนานแล้ว เมื่อเราละชีวิตไปกุฏินี้ยังสามารถใช้การได้อยู่พิสูจนยังสามารถใช้สอยได้อยู่หายไปปุ๊บ ก, กระแสะแห่งบุญที่เกิดจากวิหารละทานที่เราถวายเนี่ยยังส่งเป็นผลบุญสืบเนื่องกับกจิตใจเราที่อยู่บนวิมานบนสวรรค์นั้นสืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลากระแสะบุญไม่ขาดหายไม่ขาดช่วงเกิดตลอด24ชั่วโมงเป็นบุญที่เกิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีระหว่างท่านทั้งกลางวันและกลางคืนจนกว่ากุฏินี้จะพังทลายสลายไปไม่สามารถใช้การใดๆได้ไดได กระแสะบุญถึงจะขาดออกจากการสืบเนื่องทางจิตของดวงจิตเราที่ไปสู่สุขตินั้นและเมื่อได้เมื่อเราบดบุญจากบนเทวโลกเราจะได้มาเกิดอยู่บนโลกมนุษย์ในฐานะในที่ที่สูงส่งไม่ไม่เกิดในที่ตกต่ำและเมื่ออยู่ในคันก็ไม่รู้สึกคับแคบไม่รู้สึกอึดอัดดูแบบโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดคลอดก็คลอดออกมาง่าย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 และหาบุคคลผู้ถวายวิหารทานแม้ปรารถนาจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชในอนาคตในอนาคตการทั้งหน้าก็ได้ผู้เจ้าปรารถนาได้ปรารถนาเป็นสาวกภูมิของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ปรารถนาความเป็นอัครสาวกก็ได้ปรารถนาความเป็นพระสาวกที่เลิศในด้านไหนก็ได้ของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปและแม้แต่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธภูมิเนี่ยก็ได้ ในภายภาคหน้าก็ปรารถนาได้นี่คืออานิสงส์ของการถวายวิหารทานและสิ่งสําคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าวิหารทานเหล่าใดอันที่เราได้ตั้งไว้แล้วในสงฆ์ภิกษุสงฆ์เหล่าใดได้อาศัยวิหารนั้นคือกุตินั้นพักพิงอาศัยอยู่ในการบําเพ็ญสมณธรรมหากภิกษุเหล่านั้นกระทําสมณธรรมนั้นให้ถึงที่สุดแล้วภิกษุนั้นจักบอกคุณธรรมอันยอดเยี่ยมอันที่ตนเองบรรลุถึง ซึ่งคุณธรรมในศาสนานี้ก็จะมีสีสประการคุณธรรมคือความเป็นโสดาบันคุณธรรมคือความเป็นสากาศหาคามีคุณธรรมในความเป็นอนาคามีคุณธรรมในความเป็นอรหันต์คุณธรรม4ประการนี้พิกสุเราใดที่ได้อาศัยวิหารทานอาศัยกุติของเราเนี่ยเป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมภิกสุนั้นจะบอกคุณธรรมนั้นกับเราให้เราได้ทราบคุณธรรมเพื่อประพฤติตนไปสู่ ความดับทุกข์หรือความพ้นทุกข์เหมือนกับภิกษุนั้นนี่คืออา น, นิสงส์ที่เราจะได้รับจะ อ, อะไรอีกที่นี่อา น, นิสงส์ <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> ปาธนาความพ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้ได้ไหมการสร้างมีฐ า, านได้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 ไม่ถูกทำร้ายด้วยสัตว์ร้ายไม่ได้รับภัยจากภัยพิบัติไม่ต้องกลัวแผ่นดินจะไหวภูเขาไฟระเบิดไม่ต้องกลัวถ้าใครสร้างวิหารฐานไปแล้วแม้เขาจะวันไว้แผ่นดินจะกระเทือนแค่ไหนก็ตามเชื่อมั่นได้เลยว่าเราจะปลอดภัยแม้ตึกมันจะพังทลายลงมาแค่ไหนก็ตามแล้วก็เราอยู่ในตึกนั้นเชื่อเถอะว่าเราจะปลอดภัยไม่ต้องห้อยพระหลวงปู่ไหนก็ปลอดภัยจริงๆ นี่คือความจริงจบหมดไม่มีอะไรถามกันแล้วอเอาคนอยู่ในนี้นีม่มีมีการถามเข้ามาไหมไม่มีถ้าไม่มียุติแค่นี้นะน ะ, ะงั้นก็พอใช้เวลาในการอธิบายธรรมเช้านี้แต่เพียงเท่านี้